เมื่อเช้าหลวงพ่อได้อธิบายเรื่องการกล่าวคำอาราธนาสินห้ามีสองอมีสองอย่างแต่พวกเราท่านทั้งหลายบางคนอาจจะสินห้าของพระพุทธเจ้าหรือสินห้าที่เราจะมาทานเนี่ยเป็นสองมาตรฐานหรือเปล่าจ้ะตามใมจริงมาตรฐานเดียวกันแต่ว่าในการ เก่าอารัธนาศีนั้นไม่ยังปัญเตภิสูงวิสูงคือรักษาทีละข้อละข้อขาดข้อใดข้อหนึ่งก็คือขาดเป็นข้อข้อแต่ปัญจศีลาเป็นการรักษารวมกันทั้งห้าข้อพอได้พูดอธิบายให้กับคณะทาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเมื่อเช้านี้นะแต่ ข่าวนี้คงจะไม่อธิบายอีกแต่ว่าถึงยังไงก็ตามสินท่าของพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้มของโลกตั้งแต่ดึกดำบรรมันสีนท่าสินท่าเนี่ยเป็นสินประจำโลกตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกสินท่านี้ก็มีอยู่แล้ทำไมเพราะว่าเราได้ศึกษาในชาดกต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าระลึกชาติวนหลังได้ยางเนี้ยท่านก็บอกว่าสินห้าสมัยท่านเรารักษาสินห้าพระเจ้าจั ก, กรพรรดิที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือสินห้าผู้มีสินห้าแล้วก็รักษาโบสดทุกวันพระ 5. แปดข่ำสิบ้า่ำแสส่วนสินห้านะั้นเป็นสินห้าอยู่ในตัวของพระเจ้าจัาจา ก, กรพรรดิแสดงว่าคน ยุคที่ยุคครุงเรื่องที่สุดคือยุคที่พระเจ้าจากักรพรรดิปกครองแผ่นดินไม่มีโจรขโมยไม่มีคําว่าขโมยคําว่ากรอลูกกุญแจไม่มีในเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองแผ่นดินอนั้นคือในยุคนั้นพระเจ้าตัวพระเจ้าจากักรพรรดิเองก็เป็นผู้มีศินห้านี่แหละอันนี้คือ สรุปแล้วก็คือสินห้าเป็นสินคุ้มของโลกไม่ใช่สินห้าบางคนก็มาถามหลวงพ่อเหมือนกันเอ๊ะสินห้านั่ฟังดูแล้วมันสินเนี่ยมันอยู่ห่างไกลเหมือนกับพี่น้องประชาชนบางคนก็เอื้องมือไม่ถึงลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อไม่ใช่นะเข้าใจผิดเะแล้ว เ, เข้าใจผิดเรื่องสินสจะแล้วสินของพระพุทธเจ้าสินพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวของพวกเรา เ ข, เ, <S <S เขาเราเขาเรานมันจะอยู่ไกลที่ไหนเน่ยเขาเราถ้าเราไปทำให้กับเขาเมื่อเขาเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียของเขาในเมื่อเขามาฆ่าเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรเขาเรามีเสียความรู้สึกอย่างมากเสียใจอย่างมากในเมื่อเราไปทำให้กับเขาเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาถ้าเราไปขโมยของเขา เขามาขโมยของเราเราเสียใจมากในเมื่อเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาสิ่งของของเขาของที่เขารักเขามาขโมยของเราของที่เรารักเรารักเราก็เสียใจเขาก็เสียใจเขาเราสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาเขาเขาก็รักถ้ามาเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจถ้าเราไปล่วงล้บเขาเขาก็เสียใจเขาเรา ถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขียนเช็คเด้งให้กับเขาทั้งที่ไม่มีเงินถ้าไปเขียนให้รับรองเขียนให้เขาได้เมื่อเขารับไปแล้วเขาไม่ได้เงินเขาก็เสียใจยถ้าเขามาทำให้กับเรานะ่ะเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเขาเรา น, นี่แหล ะ, อ, นนละอันนี้คือสินห้าของพระพุทธ <Okay. S 1> เจ้าแต่สินข้อที่ห้าเนี่ย เ, เป็นสินคุ้มครอง คนขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายเด่นทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ลาบาร่วงในสามีภรรยาของใครของใครก็ได้โกหกใครก็ได้พ่อสินห้ามันขาดสติคนขาดสติแล้วนะเ อ, อถึงจะมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนก็ตามถ้าคนนั้นเป็นบ้าแค่อย่างเดียวเท่านั้นเสียหมดทุกอย่างเนะพราะอะไรเพราะคนขาดสติ แต่ว่าสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอ่างมากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราให้มีสติสมบูรณ์ให้มีศีลห้าศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อเคยพูดว่าหลวงพ่ออยู่เมืองอุดอรหลวงพ่อวันนี้นะทัศนธาญาติโยมลูกหลานถ้าเราอยากจะรู้ว่าศีลห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรให้พวกเราไปนั่ง อยู่หน้าประตูคุกนะประตูคุกเมืองอุดอนรนะเดือนจําเมืองอุดรถือกระดาษไปด้วยถือกระดาษไปด้วยสักแผ่นหนึ่งเวลาเขาก็มาถามว่าคนคนนี้เขาติดคุกเพราะอะไรกระจดไว้ว่าถามว่านี่เขาติดเขามาติดคุกเพราะอะไระจดไว้สรุปแล้วก็คือคนที่มาติดโทษคือคนผิดศีลห้าทั้งนั้น อคนผิดสินห้านะเพราะฉนั้ น, นเรีวยกว่าพระพุทธศาสน า, าสินห้าเป็นสินคุ้มของโลกนะไม่น่าจะผิดนะ ท, ทุกต้องอคนที่มาติดคุกในตัวมากสินห้าผิดสินห้าคิดฆ่าเขาบ้างหรือฆ่าเขาบ้างหรือทําร้ายร่างกายเขาบ้างก็โดยมากเนะนะี่ยคือศินข้อที่หนึง่งเลือกข่าวบอยอีกเหมือนกันน่แหละ เพราะนั้นเรื่องศีล5้าเป็นศีลคุ้มของหลวงมาจังตึกตั้งแต่ดึกดำบนันตั้งแต่โบ ร, โบราณเพราะนั้นบนรรพบุรุษของพวกไทยประเทศไทยของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาก่อนที่จะทำก่อนที่จะทาพิธีกรรมและในาศาสนาจะมีทาบุญต่างๆจะมีการไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลกอนในเมื่อสมาธิทานศีล แล้วเนี่ยเขาจะไม่ทําขาดผิดศินเหรอคนโบราณเขาว่าเอาเถอะถึงจะผิดสินรักษาศินได้ช้างชั่วช้างกระทบหูชั่วงูแลบลิ้นก็ยังเป็นสินคนโบราณก็ถืออย่างนั้นนะเลยช้างกระทบหูพวกเราพวกผมจะไปเห็นช้างกระกรพือหูแต่ละครั้งสินสินของพวกเราคงจะไม่ขาดเร็วขนาดนั้นกันมั้งนะ อย่างน้อยคงจะออกจากห้องนี้ไปเสียก่อนนะจะค่อยขาดนะแต่อยู่ในห้องนี้เขาคงจะอยู่ยังอยู่ในเป็นเป็นผู้มีสินอยู่นี่แหละสินเป็นสินที่คุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรรดทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นจุกถ้าว่าคนในยุคสมัยใดขาดสินขาดสินขาดธรรมคนในยุคนั้นสมัยนั้น คนชุมชนในกลุ่มนั้นจะเป็นผู้เดือดร้อนวุ่นวายที่สุดเพราะฉะนั้นสินสิลเป็นหน้าที่ของพวกเราเจะต้องรักษาการจะรักษาศินนั้นและเราจะให้ใครเป็นคนมันเยอะเหลือเกินเมื่อเราพวกเราทั้งท่านทั้งหลายรู้คุณค่าของสินข้าพเจ้ารู้คุณค่าของศินข้าพเจ้าคนนัึงจะเป็นผู้รักษาสินสร้างสารรักษาศินห้าน ข้าพเจ้าจะไม่คิดฆ่าไม่คิดฆ่าคนข้าพเจ้าจะคิดไม่คิดขโมยข้าพเจ้าเคารพในศีลสามีภรรยาก็ดื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกข้าพเจ้าจะไม่ดื่มธุระเพราะข้าพเจ้ารู้คุณค่าแล้วศีลห้าเป็นศีลที่ทำให้โรกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขคือต้องนับหนึ่งนับหนึ่งจะฆ่าพระเจ้าถ้าพวกเราทุกคนให้นับหนึ่งแต่พวกเราไป หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสมันมากไปเองนะแต่พวกเราโดยมากเป็นแต่คนนั้นผู้ใหญ่น่าจะมีสินมีสิ น, ม, ส น, ม, สนมีธรรมมีแต่โยนให้คนอื่นแต่ตัวเองก็ผิดสินไปซะก็เยลยเป็นผู้ไม่มีสินไม่น่าจะถูกนะให้พวกเรานับหนึ่งจากข้าพเจ้านะ <c oughs> การจะมาทานถิน่นการประกอบคุณงามความดีให้นับหนึ่งจากตัวของพวกเรานะ ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินสมาทานศิน <c oughs> นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนานิภูติงยันติตัจมาสีลังวิโสทาเยะ<อ> รัมมาจารุกาธิปติสหัมปติการัญชริอนาจิวราหยาจาาสันติทัสตาปัพระรชขจาริกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิตังประชังเอาต่อไปตั้งใจฟวามธรรมแต่เมื่อศ <c> ร <oughs> ัทธาญาติโยม เมื่อฟังทำไปแล้วไม่จุกใจนะหลวงพ่อมีหนังสือเ p ็มพีสามเทพเป็นร้อยๆกันอยู่เนี่ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็มีหนังสือหนังสืออีกสองเล่มใ้สามเล่มเป็นหนังสือที่ของหลวงพ่อเขาถอดออกมาจากเทปเหมือนกันถือบางคนเขาบอกว่าการฟังสู้การอ่านไม่ได้ แต่บางคนก็บว่าการอ่านการฟังดีกว่าการอ่านล้มพ่ออะไรเอาให้ทั้งสองอย่างเลยเพื่อไม่ให้เถียงกันเหมือนกันมีทั้งหนังสือด้วยมีทั้งมีทั้งเสียงด้วยคือบางคนก็บอกว่าถ้าฟังมนะันรู้สึกมันเชิญใจดี เ, เพอได้ยินเสียงบางทีเสียงหนักเสียงแน่นหรือว่าเสียงเน้นเสียงฟังีดีกว่า แต่บางคนก็บอกว่าชู่อ่านไม่ได้เพราะาอ่านไปแล้วเมื่อเขาไม่เข้าใจกลับมาอ่านอีกย้อนมาอ่านอีกคำพูดนี้เป็นยังไงผมเนี่ยอ่านดีกว่าอ่านดีกว่าฟังแต่คนหนึ่งก็บอกว่าฟังดีกว่าอ่านผมพ่อ็เลยหนังสือเล่มเดียวนะมีทั้งหนังสือมีท่านอ่านวมีทั้งฟังด้วยแต่หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือต่ตั้งชื่อแบบแปลกเหมือนกันนะแต่ตั้งชื่อว่าธรรมเทศนาชุดต่อต่อตแต่ต่อต่อตแปลว่าเตรียมตัวตายธรรมเทศนาชุดเตรียมตัวตายเตรียมยังไงเตรียมตัวตายอ่านตัวหน้าปกทางนี้ทนี้ต้งตงองคิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองถึงข้าไปเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนก็ตาม อีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะรักขนาดไหนเกลียดขนาดไหนพอใจไม่พอใจขนาดไหนข้าพระเจ้าจะต้องตายจะต้องหนีจากเขาถ้าคนคิดได้อย่างนี้นะถ้ารักใครก็ไม่รักมากถ้าโกรธให้ใครก็ไม่โกรธมากเพราะอะไรโกรธโกรธให้ง่ททำไมใช่ไหมอีกไม่นานจะหนีจากกันอยู่แล้วไม่จาเป็นจะต้องไปซื้ออาวุธมาฆ่ามันทิ้ง ในเมื่อข้าเขาตายแล้วตัวเองจะอยู่ไม่นานจะตายอีกเหมือนกันเลยจะท่าข้าคขาไอ้โง่ทำไมใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าคิดไว้ในใจเสมอน่ยตอๆๆเนี่ยตอๆๆอยู่ในจิตใจแล้วพวกเราจะลดอุณภูมิในจิตใจลงได้เยอะทีเดียวเลยเออจะกโกรธใครก็ไม่กโกรธมากจะรักใครก็ไม่รักมากก็อย่เลยเพราะมันจะในหนีจากกันอยู่แล้วนะ <timest> แล้วก็จะนี้แนะนํำอีกหนังสือเล่มนี้นะ ถ้าหลวงพ่อไม่แนะนําเดี๋ยวรับไปแล้วก็ไปโยนทิ้งๆของๆเสียดายหนังสือพอพิมพ์ก็หลายเงินเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบรรยายสรรพคุณบ้างนนะเหมือนนเถเหมือนกับทีเขาจะขายายาเขาต้องบรรยายสรรพคุณใช่ไหมเนีน่ยหลวงพ่อจะแจกหนังสือหลวงพ่อก็บรรยายสรรพคุณเหมือนกันนะอหนังสือเล่มนี้นะ่ะที่ว่าเรื่องแนะพระฝรัง่ง เผชิญสามปัญหาชีวิตอยากมีสติปัญญาคือมีพระฝรั่งเป็นชาวเยอรมันชื่อฟิลิปอายุของเขาเขาประมาณสักสีกว่าเกือบห้าสิหลวงพ่อดูๆแล้วเขาไปที่วัดหลวงพอ่อเป็นสายหลวงปู่ชานะท่านบวชสายหลวงปู่ชาพระนานาชาติท่านก็ไปถามหมดท่านอาจารย์ครับผมขอถามปัญหาท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์ตอบปัญหาที่ผมถามที่ผมจะถามด้วยครับเฮ้ย ท่าไปถามที่อื่นมาจนหลอนแหลกพอแรงแล้วมาถามหลอกๆเล่นๆกับผมผมไม่ตอบเนีพราะเราเราเห็นพระฝรั่งใช่ไหมเออเราก็เคยอยู่ที่บ้านตัดมานานใช่ไหมเออเราก็เห็นเนี่ยเราก็ไม่ตอบไม่ใช่ท่านอาจารย์ผมเคยถามที่อื่นมาแล้วทัดก็ตอบผมแล้วแต่นี่ผมอยากจะถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะตอบผมว่ายัางไงที่ผมจะถามอืมคงจะไม่ตอบเหมือนกันว่าเอาถามได้เขาก็เลยถามถามปัญหา เขาบอกว่าผมาไปตรวจสุขภาพไปหาหมอไปตรวจไปตรวจสุขภาพไปตรวจเลือดหมอเขาบอกว่าผมเป็นไวรัส4ต่อไปตับผมจะแข็งต่อไปผมจะเป็นมะเร็งตับในเมื่อผมเป็นมะเร็งตับยาไม่มีทุกวนัน ย, ยาไทยยาจีนยาฝรัง่งไม่มี ในเมื่อยาไม่มีเขาต้องรักษาตามอาการในเมื่อผมปวดมากผมก็ต้องไปโรงพยาบาลเขาก็ต้องฉีดยาแก้ปวดให้มอร์ฟีนกับผมในเมื่อผมท้องอืดผมเป็นผมเป็นโรคตับเขาก็ต้องให้ยาเกี่ยวกับท้องอืดให้ผมตอนนี้ผมอาการมันหนักขึ้นผมจะต้องไปนอนโรงพยาบาลในเมื่อไปนอนโรงพยาบาลนี อาการมันหนักขึ้นหนักขึ้นนี่นนนผมช่วยตนเองไม่ได้พอช่วยตนเองไม่ได้พยาบาลก็ต้องมาเปื้องผ้าแก่ผ้าเช็ดร่างกายให้ผมพอเช็ดร่างกายผมก็รู้ว่ามันผิดวินัยเพราะพระเจ้าไม่อนุญาตให้พิกษูป่วยอนุญาตให้พยาบาลเช็ดร่างกายได้ผู้หญิงแต่ต้องร่างกายพระป่วยได้ไม่มีในพระวินัยผมอ่านผมศึกษาดูแลพระวินัยไม่อนุญาตเลยจนนาทีสุดท้ายจนตายไป เรื่องพ่อวินัยจุดนี้เพราะนั้นผมขอถามท่านอาจารย์่อว่าในเมื่อถึงคราวเช่นนั้นนะ่ะเราจะตายในโรงพยาบาลหรือออกมาตายข้างนอกดีตามความเห็นของท่านอาจารย์เนี่ยนะถ้าใครอยากจะอ่านวันหลวงพ่อตอบเขาว่ายังไงให้อ่านนะทีนี้หลงพ่อตอบเขาว่าไงให้อา่าน ถ้าไม่อ่านไม่รู้รว่าหลวงพนะ่อตอบเพราะว่าไรเปัญหาที่สองเขาถามว่าขณะที่ใจจะขาดใจจะหลุดออกจากร่างนะในช่วงนั้นนะจะทำใจยังไงจะบริกรรมกรรมฐานอะไรจะคิดยึดอะไรจะคิดปล่อยวางอย่างไรสรุปแล้วจะทำใจยังไงให้ถูกต้องที่สุดในช่วงนั้นตามความเห็นของท่านอาจารย์ อันนี้ก็ให้ใครอยากจะรู้ไครอ่านอีกเหมือนกันนี่แหละปัญหาที่ปัญหาพระฝรั่งถามนะอยู่ในหนังสือเล่มนี้เอแต่ว่าหนังสือเล่มนี้คุณหมออคุณหมอที่เขาเขาพิมพ์เป็นคนแรกนะฮะ่เขาก็บอกว่าเขาอ่านดูหมดแล้วหนังสือในหนังสือเล่มนี้นะ เขาเลยประมวลประมวลข้อคิดหลังจากอ่านธรรมชุดต่อๆกันครับเขาประมวลออกมามีอยู่สองสามหน้าถ้าใครไม่จะอยากจะจ ะ, จะอ่านแนวความคิดแล้วก่กหนังสืออยู่ในนี้นะ่ะมีอะไรบ้างก็อ่านแถวๆนี้ก็ได้เพราะว่าเขาประมวลไว้แล้วนะยังค่อยอ่านเข้าไปอ่านข้างในก็ได้เ <c oughs> นี่ยมีหนังสืออยู่สามเล่มแล้วก็มีเอ็มพสาม แล้วก็มีของหลวงตาด้วยนะ่ธรรมเทศนาของหลวงตาด้วยนะสีเหลืองหนละงตามหาบัวแต่ละแผนนะ่นเนี่ยแผ่นนึงก็มียี่สิบสามกันอันนี้มียี่สิบสามกันอันนี้มีสามสิบสามกันแต่มีอยู่สองแผ่นอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งไปที่ไหนนั่งรถไปที่ไหน อ, อย่าไปคุยกันนะเหมือนกับไฟ พ่อบ้านแม่บ้านคือเหมือนทะเลาะกันในนั่งฟังต่างคนต่างฟังนะแล้วไม่ต้องคุยกันพวกเราจะได้ฟัง เ, เสียงธรรมะถ้าทั้งเปิดเสียงธรรมะด้วยทั้งคุยกันไปด้วยไม่ได้ธรรมบาไม่ได้มันไม่ฟังเข้าไปไม่เข้าใจวิชาธรรมบ้านตอ้ตองวิชาที่เป็นสงบนน่ง อ, อ, อย่างหลวงพ่อไปพูดนัสถานที่ใดก็ตามหลวงพ่อบว่า เวลาหลวงพ่อพูดเนี่ยห้ามถ่ายรูปและรูกหลานักท่าอย่าให้มีแฟลชเข้าตาเออแล้วก็จะสรงเสียงถ้ามีโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนเอ่อในขณะที่หลวงพ่อจะเทศถ้ามีเสียงขึ้นมาเน่ะพ่อหลวงพ่อเนี่ยไปภาวนาไปนั่งอยู่ในป่าอยู่ในร้ำอยู่ในป่าสงบสงัดหลวงพ่อนั่งหลับตานิ่งเอ่อการกรองหาธรรมนะเอ่อ ทำให้จิตสงบซะก่อนจึงจะรู้รู้เรื่องของแนวความคิดทางด้านจิตใจเพราะนั้นมีเสียงอะไรมารบ ก, กวนขณะที่หลวงพ่อเทศให้ความสงบหรวดข้อคิดอันนั้น่ะเหมันวิ่งเข้าปากเข้าหรงหมดหลวงพ่อพูดไม่ออกเลย น, น่อยหยุดพูดได้ทันทีเลยเพราะนั้นพวกเราสมัยก่อนเน่เวลาถ่ายรูปพอดีมีเสียงอะไรพอดีในขณะที่หลงตาเทศโอ้โหหลงตานี ดูอย่างดูดอย่างขนาดหนักเลยนยีกก่โยมผู้การโยมผอ่คงไปจยูเมืองอุดรนานะคงจะรู้ว่าหลวงตาในดูขนาดไหนในขนาดที่เทศนะแต่หลวงพว่อหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าขนาดที่กำลังแสดงทำให้อยู่ในความสงบนะแต่วันนี้หลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรมากเพราะถึงอย่างไรเพราหลวงพ่อมีเอ็มพีสาม หนังสืออยู่แล้วหนังสือเอ3มพีสามพูดแทนอยู่แล้วนะหลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้นะผูพ่อพูดพอให้คือให้การงานของพวกเราผ่านผ่านไปนะถ้าต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นเข้าประเด็นอนันตินนะ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 ปูชาจาปูชนียานังติติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันสถาปนาโรงพยาบาลอนันทมหิดลประจำปีพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันที่6มกราคม 2,559 ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งทางโรงพยาบาลของเราก็ได้ประกอบพิธีต่างๆถวายสักการะในพระบาทสมเด็จพระอนันทมหิดลอย่างที่พวกเราเคยทำมาทุ ก, ทกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ หลวงพ่อมาเป็นครั้งแรกทําไมสาเหตุของหลวงพ่อที่มาครั้งแรกก็คือท่านพลตรีวิสุทธิ์ศรีจันทราพันธ์ท่านแต่ก่อนท่านเคยอยู่อุดรเคยเป็นพาอารมณ์พยาบาลค่ายประจักษ์จากนั้นท่านก็ได้ย้ายมากรุงมากรุงเทพอารงณ์พยาบาลผ้ามงกุฎแต่ปัจจุบันท่านก็ได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา เ, เป็นพลตรี จากนั้นท่านก็ได้มาเป็นผ อ, อโรงพยาบาลอานันทามหิโดนแห่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อท่านก็รู้จักมักคุ้นกับหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเป็นลูกศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวท่านก็อยู่ที่นั่นนานหลวงพ่อกับอูที่อุดร น, นานทีเดียวอยู่ตั้งแต่ปี2512นะคณศรียาิโยมโลูกหลานอยู่ที่เมืองอุดร จน 2,525 หลวงพ่อจึงได้ย้ายไปจุ่ที่วัดป่านาคำน้อยก็ได้เมืองอุดรเหมือนกันและก็ห่างจากตัวอุดรประมาณร้0กว่ากิโลเกือบ120กิโลนะแต่ทึงยังไงก็ไปมาหาสู่กันโดยตลอดสม่าเสมอเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้รู้จักมาคุ้นกับท่านพ อ, อ, อของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ พวกลูกหลานทั้งหลายก็คงอยากจะรู้ว่าทําไมหลวงพ่อเนะีจะว่าเรียกหลวง พ, องพออ่อหลวงพ่อเออแต่ตามไม่จริงหลวงพ่ออายุเดียวนี่กิเจ็ดสิบเอ็ดนั้นแล้วลูกหลานนะเออไม่ใช่ผ้าน้อยพ่านุ่ ม, มล่ะพวกเราท่านทั้งหลายที่ลําทําทําราชการอยู่นี่เหรอเป็นเป็นเป็นปนั้นว่าเป็นน้องของหลวงพอ่อทั้งหมดว่าไงแต่หลวงพอ่อจะเป็นพี่ว่าไงเออเพราหลวงพ่อเกิดก่อนเลยอายุเจ็ดสิกว่านะ แต่พวกเรายังไม่เกษียณเนี่ยแสดงว่ายังไม่ถึง60สเป็นน้องๆของหลวงพ่อหลวงพ่อนี่บวชมานานเท่าไหร่เป็นยังไงประวัติเนี่ยหลวงพ่อจะขอเล่าเล่าให้ฟังนะลูกหลานนะหลวงพ่อนี่บวดเป็นสมณีปี2 500นะัน้ยะอายุส1บอย่างส2บปีที่หลวงพ่อบวชปี2500้าเป็นสมณีกลึ่งพุทธการคือสมัยนะั้นเขาเรียกว่า ปี2005เนี่ยเป็นเป็นปีกลืนพุธกาลในหลวงพ่อบวชเป็นสมณเ น, นกลืนพุธกาลปี2005เป็นสมณีณอยู่ 8, ป, ปีเป็นสมณนแ8ดปีเป็นพระปี08นยดะดูสิพวกเราได้เกิดมาแล้ยังลูกหลานบางคนก็คงยังไม่เกิดมั่งนะหลวงพ่อเป็นพระเนี่ยปี08ปีนี้ท่านนับดูนะ่ปีที่เป็น5้เป็นปี59นะ หลวงพ่อบวชมาห1บปีเฉพาะพระนะบวกเนนเข้าไปอีก8ปนดะเ่เกือบหกิปีนะลูกหลานะชีวิตของหลวงพ่อที่ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระป่ามาโดยตลอดเป็นสมณีนกป่าเป็นพระก่อป่าเพราะนั้นไม่ได้ไม่ได้เรียนาทางมหาป ร, รียญ ไม่ได้เรียนทางมหาเป ร, เรีญญาแต่เป็นพระป่าศึกษาแบบปิกทางวิปัสสนานโดยเฉพาะนะในครั้งหนึ่งที่ทุนกระหม่อมฟ้าหญิงที่ท่านไปเป็นเจ้าภาพที่วัดป่าบ้านตาเป็นเจ้าภาพงานศรีระขององค์หลวงตานะพระในวัดป่าบ้านตาท่านก็นิมนต์ทางนี้ทางนี้ทางนั้นนิมนต์มาเทศเจ้าฟ้ า, าเจ้าคุณแต่วันนั้น ไม่มีพระมาเน่ยองค์ที่ท่านนิมนต์ท่านก็ภาร ะ, ะพอเมนโดยมากก็เป็นพระแก่พระเฒ่าทั้งหมดเลยท่านก็มองไปมองมาก็เห็นหลวงพ่อเนี่ยเอาหลวงเอาหลวงพ่ออีกนั่งขึ้นพราะไม่มีใครมาวันนี้น่ะในพระที่จัดพระที่จัดเทศนะแต่นี้กราหลวงพ่อเฮ้ยจะให้หลวงพ่อเทศยังไงเทศต่อหน้าเจา้าฟ้าเจา้าเป็นดินเราก็ไม่เคยเลยเอาเถอะนา เพราะมันไม่มีใครได้นี่ยจะทํำยัำยงไงได้เอาเถาอืะ เ, เอาเทศก็เทศถ้าพวกท่านทั้งหลายหาที่หาพระเทศไม่ได้แต่นี้หลวงพ่อก็ขึ้นไปขึ้นทาํามศาสต์อย่างนี้เดียวเนี้นะ่ะแต่ทูลกระหมอ่อมพระองค์ท่านก็นั่งอยู่ทางทางนั้นนะ่ะเขาอาราธนาเทศขึ้นมาอาราธนาศีลอาราธนาเทศเพราะอาราธนาเทศหลวงพ่อก็ อ, อ, อกราบทูลพระ อ, องค์ท่านว่าขออภัย อาตมาภาพทูลกระ่อกได้มาฟังพระธรรมรเทศนาวันนี้การเทศกับเทศด้วยความจำเป็นและจำใจเพราะว่าพระหาพระหาองค์เทศไม่ได้ก็เลยให้อาตมาภาพขึ้นมาเป็นองแสดงธรรมแต่อาตมาภาพเป็นพระป่าทั้งรุ่นบวชเป็นเนรน้อยของหลวงปู่ล่าแปปีและขมายู่พระองค์หลวงตา เป็นเวลา13เกือบ14ปีมาอยู่ที่วัดป่าป้านตา เ, เป็นพระป่ามาโดยตลอดเพราะนั้นอาตมภาพจะพูด เ, เป็นพเป็นศัพเป็นศัพร า, าสาศัพ์หรือว่าพูดให้ไพลลอดชนะโสดนะคงจะไม่มีเพราะนั้นอาตมภาพขอพูดออขอเทศไปตามแนวแถว ที่ได้ศึกษาเรียนมาให้ถวายทุนกระหม่อมเพื่อกับคณะทั้งหลายได้ทราบนะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นก่อนนะพ่อเพราะเราเป็นพระป่าทั้งรุ่นมาจริงๆนะเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระป่าทั้งรุ่นเป็นสัมมาเนรและก็บวชเป็นพระและก็ไปจำพรรษากับหลวงปู่แหวนด้วยนะไ ป, ไปจําพรรษาที่เชียงใหม่จำพรรษาปีหนึ่ง และประจําสารหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอานะหลวงปู่จามเป็นหลวงอานะเป็นน้องชายของโยมพ่อแท้ๆนะอย่างนั้นก็ได้สี่ปีปีปรรษาที่หก็เข้าไปอยู่พระองค์หลวงตาอย่ากนั้นก็อยู่ทั้งยี่สิบกว่าปีจากนั้นก็ไปอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยจนถึงปีนี้แหละสรุปแล้วก็คือเป็นภาคป่าพระลงมาตลอดเพราะฉะนั้น การจัดเทศและการแสดงธรรมก็ยังมีเรื่องปา ป, า, ปาดองๆปาสาต่างๆก็ให้คณะสัายาติจมเลือกเฟ้นพอลงพ่อศึกษ า, ามาจากครูบาอาจารย์ได้ยินมาอย่างไงศึกษามายัางไงประสบประการอย่างไงไดเรียนรู้มาอย่างไงปฏิบัติดูเห็น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 ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังได้รับความสงบได้รับความผ่องใสเพราะได้ฟังอัดฟังถามฟังหลักเหตุผลนี่แหละผู้ฟังแล้วก็ท่านก็เน้นเป็นพระบาลีอีกว่าสุดตะมมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามมะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข่ทวนไข่ควรทบทวนสิ่งที่ดีได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหน ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สมบจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งแล้วนาจิตใจที่เป็นหนึ่งนามาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นก็สามารถที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพวกเราได้เพราะว่าจิตใจของเราเป็นหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือท่านให พวกเราท่านทั้งหลายต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่มีทางที่จะรู้ในเรื่องนั้นๆได้เพราะนั้นมหาวิทยาลัยก็ดีโรงเรียนก็ดีที่เขาตั้งขึ้นมาก็เพราะว่าให้พวกเราได้เรียนได้ศึกษาคนที่ได้ยินได้เรียนได้ศึกษาก็มีหลายแขนงอีกทีหนึ่งแต่พุทธศาสนาเนี่ยเป็นแขนงหนึ่งในบรรดาวิชาในโลกนีมากมาย แต่เป็นวิชาคะแนนหนึ่งแต่วิชาของพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เป็นวิชาที่ว่าเพื่อจะรื้อพบหรือศาสตร์หรือชาติไม่ให้มักเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอีกเรื่องพุทธศาสนาเพราะเหตุไรเพราะว่าวิชาทางโลกที่เราได้ดูแล้วน่จะเป็นวิชาวิทคณิตอังกฤษหรือวิชาแพทย์วิชาหมอหรือวิชาต่าง เป็นวิชาที่ว่าคิดขึ้นมาซะก่อนแล้วก็ดูดูไตรทองดูคล้ายๆว่าดูเงาดูเรื่องราวที่มันคิดขึ้นมันคือว่าเพ่งออกไปข้างนอกดูเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นบวกอันนี้ทำอย่างนั้นอันนี้ก็คือวิชาวิชาทางโลกแต่วิชาทางธรรมหลวงพ่อดะเปรียบเทียบให้ฟังว่า วิชาทางโลกเหมือนเรามีเรามีไฟฉายกระบอกหนึ่งนะมีไฟฉายกระบอกหนึ่งเราก็ฉายไปในทังในที่มืดแล้วเขาไปเห็นต้นไม้ภูเขาไปเห็นโขดหินไปเห็นลำธารไปเห็นสิทธิสัตว์ราสิงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไปเห็นสัตว์เราก็ศึกษาเรื่องสัตว์ไปเห็นสัตว์ก็ศึกษาเรื่องสัตว์ไปเห็นต้นไม้ก็ศึกษาต้นไม้ไปเห็นลำธารก็ศึกษาเรื่องลำธาร ไปเห็นก้อนหินกับศึกษาเรื่องก้อนหินมันมีมนมมนมตั้งโลกต่างเยอะแยะทั้งหมดเลยแต่วิชาของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ศึกษาเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจไฟฉายดวงนี้มันแสงสว่างออกไปเป็นมองไปเห็นที่อื่นมันมาจากไหนแสงสว่างตัวนี้มันออกมาจากไหนมันไปสอบหาที่อื่นเอ่แล้วก็มองดูเขาไปหาหัวเทียนเขาหมันเลยดับที่หัวเทียนเลยจอก็ไปหาหัวเทียน ออพอจะนั้นก็รู้ได้ว่าอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากหัวเทียนทั้งหมดที่มันเป็นแสงสว่างที่ไปรู้เห็นเรื่องต่างๆน่ะทีนี้ก่อนมองเข้ามาหาเถียนดับที่หัวเทียนดับที่หัวเทียนคือดับดูอยากจะรู้มันที่ไปออกไปรู้ต่างๆออกไปจากตัวนี้อีกต่างหากนั่นแหละสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ดูที่ใจทีนใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมน่ ที่มองไปไปเห็นสิ่งต่างๆออกไปจากตัวผู้รู้คือใจทั้งหมดเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดในหลักของพุทธศาสนาจึงว่ามโนปุพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละท่านให้ดูใจในหลักของพุทธศาสนาให้ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้แต่วิชาทั้งโลกทั้งหลายทั้งปวงเป็นวิชาที่แต่คกเงาปตกคุกเงาเรื่องต่างๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ถึงจะเรียนไปมาก เ, เกิดและตายแต่เรเกิดก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะเพราะคนโบราณเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะสมัยหนึ่ง เ, เป็นลูกลูกชายของท่านปโปรหิตนะปโปรหิตตาจารย์เป็นผู้มีความรู้ในเมืองตักาศิลานะพ่อเกิดที่มาและพอ่อเออแต่ตัวเองก็เป็นอาจารย์ที่สับปะโมกก็จริงอยู่แต่ว่าจะสอนลูกตัวเองมันสอนไม่ได้นะเหมือนกับอาจารย์ เหอนกัอาจารย์มีมีลูกขึ้นมานอาจารย์มีลูกที่ว่าเก่งขนาดไหนก็ยังให้คนอื่นสอนอย่างหมอเขาเหมือนกันถ้าตัวเองผ่าตัดดีเก่งขนาดไหนแต่ถึงยังไงถึงเขาพ่อแมตอ่ตัวเองก็ต้องให้คนอื่นเป็นคนรักษารักษาผ่าตัดเพราะตัวเองมันอาจจะเก่ง อ, อกเก่งใจหรือไม่กล้าสอนไม่กล้าดกดาว่ากล่าวลักษณะอย่างนั้นอ่ะตอนนี้ก็ส่งให้ไปให้อาจารย์มเป็นอาจารย์เพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน ใ้ลูกไปเรียนไปศึกษากับกับพ่อเสียวไปลักษณะอย่างนั้นอ่ะให้เขาเป็นพ่อของเพื่อนเอพื่อนของพ่ อ, อให้ลูกให้ลูกชายไปเรียนกับเพื่อนลูกชายก็ไปเรียนไปเรียนอยู่ที่เมืองพาราณสีพอไปเรียนไปเกิดถามหาพ่อชื่ออย่างนี้อย่างนี้นามสกุลนี้มีไหมมีครับเป็นทิศปาโมกเป็นอาจารย์สอนวิชา เรื่องนั้นเรื่องนั้นเองนั้นแต่เด้ลูกชายบอกว่าผมเป็นลูกชายของคนนั้นคนนั้นเบืองตะกัศีลาพ่อสั่งมาส่งมาให้ผมเรียนมาเรียนกับอาจารย์เออเอาได้อาจารย์พราเป็นเพื่อนกันอาจารย์ก็รับพอรับขึ้นมาแล้วต่เด็กอาจารย์ก็สอนสอนกลุ่มมาสอนชายหนุ่มคนนั้นสอนสอนสอนสอนตะแกก็รับรู้รับรูเ้เป็นนิสเป็นนิสคนนิสัยดีอีกต่างหาก เด็กหนุ่มคนนั้นเป็นคนนิสัยดีใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้นะออพอเสร็จแล้วก็เข้าไปหาอาจารย์ อ, ยอาจารย์ผมเรียนวิชาจากอาจารย์มานี่นะ่ยนมนานเลวหลายปีแหละคำว่าที่สิ้นสุดของวิชาผมยังมองไม่เห็นท่านอาจารย์บอกวิชาตัวตัวสิ้นสุดของวิชาให้ผมฟังเลยเสว่าการเรียนจะมีมีที่สิ้นสุดไหมอาจารย์ทางอาจารย์เขาบอกว่า เดี๋ยวนี้ เ, เราก็อายุถึงเจ็ดสิบกว่าเกือบจะแปดสิบแล้วเรียนวิชามายังมองไม่เห็นเกิดที่จะสิ้นสุดวิชาน่ยมันอยู่ที่ตรงไหนเรียนเท่าไหร่ก็ยิ่งกว้างไปเลยกว้างไ ป, ไปเลยรู้ไปเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเ อ, อวิชาทั้งโลกเนี่ยแต่มีนะแ ต, แต่อาจารย์เนี่ยได้ยินว่ามีลื อ, ลอสีอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ในป่าหิมาพานมีลือสีกลุ่มนั้นเขาว่ารู้จัก จุดจบของวิชาวิชาที่เรีน ว, วิชาแล้วจะรู้จุดจบของวิชาจะมีคือสีอีกกลุ่มหนึ่งให้เธอไปหาทะนะนนถ้าเธออยากจะรู้ว่าจุดจบของวิชาเนะี่ยลือสีกลุ่มนั้นคงจะรู้นะที่เขาล่ำารือมาแต่พ่อเขยังไม่เคยไปนะสุชิ ม, มาเนี่ยครับผมพ่อเขาไฟในการศึกษาอยู่แล้วนะเขาก็ไปหาอาจารย์ไปหาลือศีนะ แต่ลือีกลุ่มนี้เป็นลือีพระปัจเจกเท่นี่พระปัเจเจกพุทธเจ้าท่านอยู่เป็นกลุ่มของท่านอยู่ในป่าหิมาภาน พ, พอเข้าไปก็ไปกราบท่านท่านเออท่านพระคุณท่านครับท่านรู้จักที่จุดจบของวิชาไหมวิชาที่มีจุดจบของวิชาไหมพระปัเจเจกพุทธเจ้ารู้พวกเราได้รู้จุดจบของวิชาถ้าอย่างนั้นผมขอเรียนขอศึกษาด้วย พ่อปเจกบอกว่าไม่ได้แล้วต้องบวชซะก่อนถ้าทำอยู่ในฟอร์มเหมือนกับพวกเราเราจึงจะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ถ้าไม่ได้บวชอย่างเราเนี่ยเราจะไม่ประสิทธิ์ประสาดวิชานี้ให้สุสีมากเขาเลยกลับมาเนี่ยกลับมาขอผ้าเลยไปบวชอีกเอาไปบวชก็ไปศึกษานะับกับพ่อปเจกพุทธายาพ่อปเจกเจกพจักพุทธา้าสอนน่ยสอนวิชาให้ฟังเออันดับแรกก็คือ ทำจิตใจให้สงบสะก่อนทำจิตใจให้นิ่งให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วท่านก็ให้พิจารณาพิจารณาต่อให้ดูย้อนกลับมาตัวผู้รู้คือใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าจุดจบของวิชามออกไปจากใจทั้งหมดใจเป็นคนคิดขึ้นมาแต่เขาว่าสมองนะงเดี๋ยวทุกวันนี้เขาว่าสมองเพราะอะไรเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาว่าสมองคือเห็นสมองเป็นตัวคิด แต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาทนวัตใจใจเป็นคนมาใช้สมองอีกที่นึงเหมือนกับรถทุกวันเนี่ยแหละรถที่มีสมองคนก่อนที่เราจะรู้ว่ารถคันนี้มีอะไรแล้วก็สตาร์ทเครื่องขึ้นมาพอสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเครื่องติดขึ้นมาแล้วสมองสมองคนมันก็บอกขึ้นมาทันทีน้ำมันจะวิ่งได้เท่า น, นั้นกิโลตาข้างนั้น ไม่ดีล้อครังนี้ล้มอ่อนมันจะบอกหมดทันลถราคาแพงๆนะเอออันนี้ก็เหมือนกันออแต่ว่าสมองคนมันสมองอยู่ในหัวของมันแต่คนที่ไปใช้สมองคือคนคนไปใช้คนจะตัดตเครื่องซะก่อนออจะตัดตเครื่องเครื่องสมองท่านั้นก็นทำงานนี่ก็เหมือนกันแต่วิทยาศาสตร์เขามองไม่เห็นจุดนี้มองไม่เห็นคือใจ คือนามธรรมจุดนั้นเขามองไม่เห็นเขาเห็นแต่แต่สมองนะวิทยาศาสตร์แต่พอพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วนะ่ยท่านรู้ท่านรู้ท่านบอกว่าใจใจคือนามธรรมเนี่ยเขาไปกดสมองไปใช้สมองอีกที่เนื้อสมองเนี่ยเป็นเครื่องมือของใจนามธรรมมนโนปุลพังเขามาธรรำมาอ่าเนะี่ยแหะเรื่องของพุทธศาสนาท่านให้ศึกษาในจุดนี้ นี่แหละขอให้พวกเราคณะสัทธยธ า, าติยมลูกหลานทุกคนนะสัตธยธ า, าติยมทุกท่านนะในนังวิชาของพุทธศาสนาเนี่ยในที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่สมัยเมื่อ 2,558 ปีให้หลังท่านขอแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวในพระไตรปิฎกมีมากมายแต่ทีนี้มาถึงยุก ข, ของพวกเราอย่างลูกของยุก ข, ของหลวงพ่อเนี่ยแต่พ่อแม่ครูบาอาจาร ของหลวงพ่อมีหลวงปู่มั่นที่ทุกยุคที่แต่ก่อนหลวงปู่มั่นมีไหมมีก่อนหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นสายมาเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้บันทึกเป็นตัวหนังสือขึ้นมาแต่เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นนะถ้าหลวงพ่อเกิดในยุคนั้นหลวงพ่อก็จะถามหลวงปู่มั่นครับอาจารย์ของหลวงปูนะ่เป็นใครหนอกับผมนะท่านก็คงจะเล่าให้ฟัง แต่ในเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นแต่พอมาเหยียเกิดยุครุ่นหลังพอหลวงมั่นปู่มั่นขึ้นมานี่กัมีลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นคืออย่างหลวงตามหาบัวกัท่านเป็นมหาเป ร, เรี่์มหาปุตสเสงก็เป็นมหาเปรีย์คุณนธรรมะเจดีก็เป็นมหาป ร, รี่รรรร์ท่านได้เรียนมาแล้วเพราะฉนั้นเราได้ศึกษาหรือว่าเราได้บันทึกแนวทางแนวความคิดในแนวปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นได้บันทึกเอาไว้ ในยุคในยุคนี้แต่ยุก่อนนะัมีอยู่แต่เราไม่ได้บันทึกหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ได้บันทึกอาจารย์ของท่านเพราะฉะนั้นมาถึงยุคนี้เราได้บันทึกแนวความคิดของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนอย่างไรแต่ตามไม่จริงหลวงปู่มั่นท่านก็สอนแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านเหมือนกันทุกคนต้องมีอาจารย์ท่านศึกษาจากอาจารย์ว่าไงท่านก็มาแนะนําบอกกล่าวต่อๆกันอย่างหลวงพ่อน่ย ในเมื่อหลวงพ่อบวชเข้ามาเป็นสมณีนอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นเนนของหลวงปู่ล่าเป็นเนนของเป็นพระหนุ่ยน้อยพระน้อยพระนุ่มกับอยู่กับองค์หลวงตาอยู่กับหลวงปู่แหวนหลวงกัอยู่หลวงปู่จามอยู่กับหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงพ่อท่านหมดครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเหล่านั้นเคยไปอยู่อยู่กับท่านทีละสองเดือนบั่ง3เดือนบั่งเดือนหนึ่งบ้าง ทีไ่ไปศึกษาแต่พอสรุปได้ว่าครูบาอาจารย์เรานั่นกรับแนวนโยบายใ น, ใ น, ใ, นในการแนะนำสั่งสอนมาจากหลวงปู่มั่นทั้งหมดเพราะหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าพอพระพุทธเจ้าท่านไปภาวนาอยู่ที่โคลนต้นโพนะวันเดือนหกเพ่นท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นแต่หลวงปู่มั่นบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะภาวนาอย่างพระพุทธเจ้าะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันหลงเงินได้ง่ายสัำทับกับพุทโธด้วยนะ ถ้าสำทับกับพุทธโธนี่จะแน่นกว่าจะมั่นคงกว่าเพราะนั้นให้สำทับกับพุทธโธเพราะนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงสอนว่าสายหลวงปู่มั่นท่านให้ภาวนาพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยอันนี้ก็คือเวลาการนั่งสมาธิกําหนดลมยังไงพุทธโธ ท, ท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับ อาคารของพวกเรานั่งอยู่เดียวนี้นะมีประตูมีประตูคนผ่านเข้ามา ε, เราให้เหมือนกับนายประตูเดินอยู่ข้างประตูเวลาคนเข้ามาเข้ามาข้างในไม่ต้องตามคนเข้ามาเวลาคนข้างในออกไปข้างนอกไม่ต้องตามคนออกไปรู้ว่าคนออกไปรู้ว่าคนเข้ามาเออคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตู นี่แหละคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกคือภาวนาเขงเช่นเดียวกันกำหนดที่ปลายจมูกหายใจเขาออ้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพดโทพุโทพโถเพียงเท่านี้ไม่ให้ใจนึกคิดไปทางอื่นให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในจุดนี้นี่แหละอันนี้คือกรรมฐานที่หลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับสิทธยาลุศิ์ของท่านทุกทุง วันนั้นจะเป็นองค์ใดก็ตามนะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านจะสอนว่าภาวนาพุทโธเนะ้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนให้ภาวนาพุทโธในเมื่อภาวนาพุทโธจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจของเรารวมสงบเป็นหนึ่งจิตไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ศาส น, นะแต่พระพุทธเจ้าท่านนะที่ท่านนั่งภาวนาที่โคลนต้นโพธพระไทยของพระโอกรสงบนะ นิ่งตรงเป็นหนึ่งเพราะจิตนิ่งเป็นหนึ่งใชเกิดญาณรัตนะเกิดฌานมีความรู้พิเศษขึ้นมาหนุกุพเพนิว่าสานุสติญาณรละลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนานะคณะทาญาทโยมนะท่านยืนยันยืนหยัดเลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุไรเพราะว่าถ้าตายแล้วสูญพราะพระ พ, พุทธเจ้าคงระลึกชาติผลหลังไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเหมือนกับเราเกิดมาวันนี้วันนี้ เกิดมาวันนี้ไม่เหมือนไม่ใช่เกิดมาเมื่อวานในเมื่อเมื่อเกิดมาวันนี้วันนี้เราจะระลึกถึงเมื่อวานได้ยังไงเพราะเราเกิดมาวันนี้วันเดียวแล้วก็ดับในวันนี้นะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวมันก็จบแต่นี่ไม่ใช่เพราะพระองค์บอกว่าเมื่อท่านเกิดยาณตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในเมื่อท่านนั่งสมาธิท่านระลึกชาติผลหลังได้ยี่ว่าปุเพนี่หวา ฐานุสติญาณและลึกชาติหุ่นหลักชาติที่แล้วนาค่าเป็นอะไรมาจากไหนมาเกิดท่านมองดูยาวเหยียดเลยชีวิตของดวงวิญญาณมันผ่านที่ไหนที่ไหนบ้างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่ตื่นเช้ามาันเราออกมาจากที่ไหนมานั่งที่นี่ผ่านที่ไหนบ้างเนีนั่นแหละแต่ที่มันผ่านผ่า น, านมาน่งคืนล้วนแล้วแต่เป็นอดีต ท, ทั้งนั้นอปัจจุบันคือนั่งอยู่เดี๋ยวนี้่ะอนาคตคืออย่าง ยังไม่ถึงยังไม่ยังไม่ไปคือหายใจนี่แหละคือปัจจุบันเออที่ยังไม่ได้หายใจนั่นแหะคืออนาคตนะอนาคตต่อไปภายภาคหน้าอันนั้นคืออนาคตยังไม่แน่นอนแต่ปัจจุบันเนี่ยอดีตที่มันผ่านไปแล้วคือผ่านมาแล้วมันให้มันดีก็ดีมันแล้วมันชัวนนช่วมก็ชั่วมาแล้วมันเป็นเพียงบทเรียนเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันเนี่ดีที่สุดให้ดูในปัจจุบันมีคุณค่าที่สุดในปัจจุบัน มันจะดีก็ออกไปจากนี่แหละถ้าเราทำดีในะปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันอนาคตมันก็ดีไปเองแต่เราทำปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ดีนะอนาคตมันก็เสียหายเหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงให้ภาวนาอยู่ในปัจจุบันปัจจุบั น, นชาติชาตินี้มันตายแล้วไม่สูญและลึกชาติทูลหลังได้ และพระองค์ทำจิตใจให้สงบในปัจจุบันพอถึงถึงเที่ยงคืนท่านภาวนาไม่ลดละนะกาหนดดูดอีกจุตูปะปาแตหยาการจุติและการเกิดการตายของสัพสัตทั้งหลายการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี่สัพสัตมีมากแต่ละคนทาไมไม่เหมือนกันเกิดมาแล้วทำไมไม่เหมือนกัน ทำไมแปกตกต่างกันบางที่คนคนั่นก่อรวยคนนั่นก่จนคนนี้ก่อเสร็จสวยงดงานคนนั่นก่อขี้ไร้ขี้เหร่บางคนก็นพิกงพิการทําไมไม่ไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะพระองค์มองดูแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงใจไม่เหมืนอนกันเพราะเหตุอะไรเพราะกรรมกรรมจาแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันในเมื่อคิดไม่เหมือนกันกับทํากรรม ทำกรรมในทางคิดไม่เหมือนกันทำกรรมในการกระทำอย่างที่หลวงพ่อวัดฆ่าจัดขโมยทรัพย์เนี่ยคือทำกรรมไม่เหมือนกันแล้วกับการพูดก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะนั้นเวลาทำกรรมทำได้สามทางมะโนกรรมคือความคิดกายกรรมคือการกระทำวัจีกรรมคือคำพูดในเมื่อคิดไม่เหมือนกันทาไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันกรรมการกระทา กรรมตอนนั้นคือมาให้ผลคนเราคือเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะกรรมจําแนก ใ, ให้สัษษตว์ประทั้งหลายเกิดมาเพราะกรรมตอนนั้นเป็นผู้แบ่งแยกแบ่งแยกให้คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะนั้นท่านเยกว่าอกคตังตุ ก, กตังเส้ยโยปัชชาตปฏิทุ ก, กตังกรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทาซะเลยดีกว่า เมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละท่านว่าเมื่อท่านภาวนาตอนเที่ยงคืนจตูปปาตยานท่านมองเห็นสัพสัตคือการกระทาเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามถ้าทำกรรมชั่วสิ่งที่ไม่ดีแล้วกรรมชั่วให้ผลนั่นต่อไปจะเดือดร้อนนี่แหละพอจวน สว่างพระพุทธองคก็ได้ตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะาหาออกจากจิตใจท่านได้ตัดสรุปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะให้เวียนว่ายตายเกิดนั้นคือกิเลสเรากําจัดออกแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปในวันเดือน6เพนนนั้นตัดสรุปทำสามอย่างปุกเพรนิวาสานุจติญาณ จุตูปป า, ปาตะยานอาสาวกไกยะยานออทั้งสมอย่างอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าแต่ส่วนพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ของหลวงตาของพวกเราที่ท่านนั่งออท่านเอาแนวแถวของพระพุทธเจ้ามานํามาประพฤติปฏิบัติท่านก็ให้นั่งภาวนานออการนั่งภาวนาของพวกเราเนี่ยรักษาศีลอยให้ทานก็ใช่ให้ทานรักษาศีนก็ใช่แต่ภาวนาเนี่ย เ่เป็นสิ่งที่จำเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเนา่พวกเราควรจะภาวนานอะอันนี้คือสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ภาวนาทำยังไงเ่ทาพวกเราไม่เคยนะเออท่านบอกว่าไม่ต้องมีครูมีใครมีอะไรหรอกไม่มีไ ม, ม่ต้องมีขันห้าขันแปดอะไรถ่านเนี่หาห ม, มุมสงบสงบเราไป น, นั่งอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ให้มีเสียงวุ่นวายเราอยู่ในที่ไหนที่สงบ จากนั้นก็นั่งขัดสมาธิหรือจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้เราไม่ได้กําหนดว่านั่งทาไหนแต่ว่าการนั่งสมาธินควรจะนั่งขัดสมาธิเพราะเหตุไรเพราะกายของเราจะได้ตรงไม่เอียงซ้ายบิดไม่เอียงขวาเรานั่งขัดสมาธิจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโท น, นี่แหละก่อนที่เราจะหาหมุมสงบได้อย่างนั้น แล้วก็กราบไหว้พระสกอดถ้าจะทําให้ตามครบสูตรนะสมมุติเราจะนอนแล้วเขานี่หมดภานละล ะ, ละ อ, อ, อยู่ตามลําพังจากนั้นเราก็ไปห้องพระแลยก็กราบพระสกอดอรหังสวารคตโตสุปฏิปัโนแล้วก็กวกวาา น, น้นโมตัสสะพุทธังธรรมัาางสังขังสุด แ, แต่เราจะสวดได้มากน้อยแค่ไหนการสวดจากนั้นก็สวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แผ่เมตตาในใจนั่งสงบนิ่ง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 อันนี้ก็คือเราแผ่เมตตาในเป็นภาษาใจคนที่มีเมตตาอยู่ในจิตใจไปน่าสถานที่ใดไม่มีเวรไม่มีภัยไปที่ไหนถึงเขาจะผูกเวรผูกภัยก็ผูกไม่ติดเพราะเหตุไรเพราะเราไม่มีเวรมีภัยกับใครเรามีแต่ให้อภยัยมีแต่แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขทวดหน้ากันนี่แหละอันนี้ก็คือแผ่เมตตาแผ่เมตตาเป็นภาษาใจนะ จากนั้นเราก็กราบพอกราบเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิละเจนนี่นะหาหมุมสงบอย่างที่ว่าโทรศัพท์ก็ปิดไว้ก่อนโทรทัศน์วิทยุอะไรเสียงทั้งหลายปิดไว้หมดไม่ให้จิตใจมันส่งออกไปข้างนอกให้มีแต่อยู่ในความสงบจากนั้นขัดสมาธิจากนั้นก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกนะขึ้นประนมมือขึ้นระหว่างอกแล้วเลือกถึงพูดโถซะก่อนคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนะไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนสอนนะ เป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําปฏิบัติเราต้องไหว้ครูคือไหว้พระพุทธทเจ้าสักคนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสมจบจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงแล้วก็ บ, บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนี่แหละในเมื่อมันเผลอไปดึงกลับคืนมา ให้มันอยู่กับพุทโธฮะอย่าให้มันเผลอนี่แหละเป็นการฝึกฝึกจิตฝึกใจของพวกเราเนี่แหละเป็นการนั่งสมาธิเอถ้ามันเผลอไปอีกให้บริกรรมสำทับพุทโธให้ถีเข้าพุทโธพุทโธพุทโธสำทับอยู่ติดตัวผูร้รูร้นั่นแหละเออตัวนั้นแ่ะให้สำทับตัวนั้นเอออย่าให้มันเผลอไปที่อื่นเนี่แหละอันนี้คือภาวนา ในเพื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเด่งลงไปเป็นหนึ่งนะจิตนิ่งจิตเป็นอัปปนาสมาธิเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันนะชัดชัดเจนในความรู้สึกของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจ เพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยตายแล้วไม่สูนะตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่มันเกิดก็คือดวงวิญญาณคือใจนั่นหละเพราะฉะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจใจหลวงปู่ลาท่านบอกใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปใจนั่นแหละเป็นผู้รับดีรับชั่วในตัวของเราแต่ส่วนร่างกายเนี่ยเป็นเพียงแต่เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นผู้นาเป็นพาหะนาเข้าสู่จิตใจ เวลาใจจะใช้ใจจะใช้จะใช้ทางวาจาพูดออกไปด่าใครก็ได้เหเวลาใจจะใช้เอาร่างกายไปทุบไปฆ่าใครก็ได้ในเมื่อไปฆ่าไปทุกก็แล้วผลแห่งการกระทำมันไหลเข้ามาหามันไหลเข้ามาสู่ใจแล้วีนีใจจะเป็นผู้รับบุญใจเป็นผู้รับบาปพันทันก่อนที่จะทำอะไรลงไปต้องคิดให้หลอกรอบเสียก่อน ก่อนที่จะพูดอะไรออกไปผมคิดให้รอบคอบซะก่อนนะถ้าเราคิดไม่รอบพอบด่าเอาไปเป็นผลย้อนเข้ามาห า, หาตัวผู้รู้คือใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, า, าตธยมลูกหลานทุกคนนที่ติดฟังธรรมเทศนาที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้คณะสัาาตยาธยมได้ฟังและหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาจิตเบื้องต้นว่าอาเซวานาญาบารานัง บันริตา น, นันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานะังอันนี้เป็นมงคลัะสามมงคล38มสิของพระพุทธเจ้าขึ้นบทขึ้นบทแรกเลยเสวนาจะบาละนะังอย่าไปคบคนผ่านเน่าถ้าคบคนผ่านมันจะผ่านไปหาผิดถ้าคบคนผ่านคบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้นแหละถ้าคบคนขี้เหล้าคนพาไปกินเหล้าต่อไปต้องจะ แต่เรใหม่ๆเราก็ไม่กินไม่เห็นพอเราครบไปนานๆเออเอเอมันสนุกนะวะลองลองกิน ก, กับมันสักหน่อยสิวะพอกินเข้าังก็ไปติดมันอีกอไปติดกับมันอีกเออ น, นั่นก็คือไปคบกับคนขี่เหล่าแต่ไปคบกับคนเล่นไพ่เล่นโบกเล่นเบอร์มันก็ไปกับเขาไปอีกเออถ้าไปคบกับนักเลงหัวไม้เป็นนักปนนักป่นนัก ก, กีก็ไปตามเขาอีกนี่แหละอันนี้อร่อย อย่าไปคบคนผ่านถ้าคบคนผ่านอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นภาระชนไปกับเขาด้วยให้เลือกคบให้เลือกคบอย่าไปคบคนชั่วให้คบเลือกคบคนดีเซวนาจะบาลนะบัณฑิตานันจะเสวนาให้คบบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ที่หลวงพ่อวัดดินบัณฑิตนักปราชญ์คือศีนห้าเนี่ยให้คบให้มากถ้าคบใครคบบัณฑิตนักปราชญ์ก็คบสินห้า ไม่ฆ่าสัพย์ไม่ขโมยทรัพย์นะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวอวันที่ตาแเดซิลนะปูชาจะปูชนียาบูชาบุคคลที่ควรบูชาอไม่ใช่เห็นอะไรก็บูชาไปหมดไม่ใช่นะเราต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาท่าบนบคนที่บูชาแล้วนั่นล่ะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวนะี่แหละหลงพ่ออยากจะเน้นหนักเรื่องอคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละ เออครบคนใดเป็นเช่นคนนั่นแหละในนิชาตินี้ในชาดกนันเออพระพุทธเจ้าท่านเห็นคนนี่แหละการครบค้าสมาคมลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไปคบค้าสมาคมกับ เ, เป็นพระที่ไม่ดีพระองค์บัวจะไปคบกับเขาน่ะถ้าคบกับเขาเน่ยคบคนใดเป็นเช่นคนนั่นแหละมันเคยมีมาแล้วในอดีตชาติในอดีตการน่ะ พระสงฆ์เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าค่ะ อ, อที่ว่าพระองค์นี้ไปโคบแล้วมันไปโคบ เ, เสียหายพระองค์บอกว่าเนี่ยสมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัตของราชสมบัติกรุงพาราณสีเ อ, อพวกหัวเมืองเขาก็ต้องมีเขาต้องมีมา้าพระเจ้าแป่นดินก็ต้องมีมา้าสมัยนั้นเอเป็นม้าหรือเป็ น, าปนพาหนะช้างเป็นพาหนะนําเขาไป จะทำกิจการต่างๆก็ต้องขึ้นขี่มา้าขี่ช้างไปแต่นี้ก็มีม้าต้นตัวหนึ่งของพระเจ้าพารานสีแต่นี้ก็มีนายนายฮัทถีคล้ายๆว่าเป็นผู้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงม้าของพระเจ้าแผ่นดินต่อต่อมานายเลี้ยงม้าคนนี้เนะี้ป่วยไม่สบายก็เลยลาลางานลางาน เลี้ยงทําหน้าที่นี้ไม่ได้แต่เทตันนี้พวกโปรหิตตายจานพวกอมาตราดเวีทั้งหลายเขาก็เอ๊ะเอาใครมาเลี้ยงม้าของพระราชาณ์เขาก็ต้องคัดสรรหาเท่านั้นคัดสรรหาคนเลี้ยงมา้าพอเข้าไปไปเห็นไอหนึ่งเป็นคนที่คนจะเป็นสัตวแพทย์อแต่เก่งมากคนเฉลียวฉลาดมากแต่เป็นคนขาเป๋ เออขาเป๋เดินไปคัเพกขัเพกคัเพกแต่ความรู้ของเขาเน่ยแน่นมากในการเรื่องวิชาความรู้ดูแลสัตว์เขาเอาอันนี้แหละเป็นครูดูแล เ, เลี้ยงม้าของพระราชาณตอนนี้เขาก็ให้อ น, นั้นแหละเป็นคนเลี้ยงพอเลี้ยงนานเขานั้นไม่นานเท่าไหร่พออยู่กับม้าม้าก็เห็นว่าเวลาเดินไป ไปอาบน้งก็ดีเเดินไปไปล้างก็ดีเดินไปออกกำลังกายก็ดีเดินไปสู่สนามหญ้าก็ดีไอ้นั้นมันก็เดินนํำหน้าใช่ไหมในสารทีเดินน้ำหน้าคะเพกคเพกคเพกม้าตอนนั้นก็เป็นม้าแสนรูท้ทเอเออเขาคงจะให้เราเดินแบบนี้กั า, า, like า, ามังม้าตอนนั้นก็เลยเดินเดินแบบนาย น, นั้นบัดนี่เออพอเห็นนายนั้นเดินมันก็เดินเฮ็ดขาคเพกเพกเหมือนกันว่ มันหมามันเรียนรู้ใช่ไหมตอนนี้พวกพระราชาพวกกมาราชเวกิกทา่านละอ้าวทาไมหมาพระราชาทําไมเดินกระเพกกระเพกอย่างนี้วะจะน่าจะเอาแพทย์ทั้งหลายแพทย์หลวงทั้งหลายมาตรวจ ด, ดูว่ามันเป็นยังไงทําไมหมาตัวนี้มันเป็นยังไงก็มาจับแข้งจับขาดูมดทุกอย่างก็ไม่มีเห็นหนามไม่มีเห็นแผลอะไรไม่มีอะไร แต่มันก็เดินข้าเพกข้าเพกเออเอเ อ, เ, อเดินข้าเพกไปเรื่อยแต่นี้ก็องค์ข้ามนลตรีทั้งหลายก็แล้วพร่อหมามเป็นม้าพระเจ้าแผ่นดินเนีย่ยจะไปทำเล่นๆไม่ได้พื่จะเข้าศึกสงครามเลยก็ต้องขีม่มา้าเออม้าฝีผีเท้าอย่างดีเนี่ยฝีเท้าเก่งตัวนี้มันเก่งอยู่แล้วเนี่ยแต่ทําไมามันเดินอย่างนี้เอออามาราชเสวิกโป ร, ป ร, ปรหิตรายจานทั้งหลายอะไรก็มานั่งดูมาตรวจ ด, ดูอีก ตอนนี้ท่านองค์ขมลตีท่านหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวข้าพระเจ้าจะเป็นผู้พิสูจน์เองนะขอเวลาจักเจ็ดวันอขอพิสูจน์ม้าตัวนี้ตอนี้องค์ขมลตีท่านก็นั่งนั่งแบบตาไม่ขับพียบเลยทีาจ้องเวลาเดินไปใครเป็นคนเดินมันเข้าออมาแต่ไงมันทํายังไงเออเวลานายสนหัดถีนะ่ยมันนําม้าไปเลี้ยงมันนําไปยังไง ว่าพอดูเอ๊หมาตัวนี้เป็นหมาแสนรู้เนี่ยเอ๊มันคงจะเรียนรู้จากนายนายสารถถีที่เลี้ยงมันเนี่ยะเพราะนายสารถถีมันเดินขัเพกขัเพกเนี่ยเอ๊มันก็คงจะเรียนรู้จากนายนี้แหละมันจึงเดินอย่างนี้เอ๊ะจากนั้นโปรโหิตราจาย์คนนี้ก็เลยเออองค์ขมนตรีท่านนี้ก็เลยว่าเอ้าผมขอเสน อ, เ, อเปลี่ยนคนเลี้ยงใหม่ สักหน่อยดีไหมเพราะว่าผมดูดูแล้วมันเอาคนที่เป็นมา้าตอนนี้มา้าแสนรู้เนี่ยมันคงจะเรียนแบบมั่งเอาคนอื่นมาเปลี่ยนดูซิเอาคนที่ลู่ล่างท่าทางสะอาดเจ้าองค์เดินองค์อาจกล้าหาญมาเปลี่ยนดูซิจากนั้นเขาเลยเปลี่ยนคนเลี้ยงใหม่พอเปลี่ยนเลี้ยงใหม่คนนี้เขาไปกับเลี้ยงพาม้าไป พออีกสักไม่ถึงสองอาทิตย์ทาั้นะม้าจะไ้เดินปกติได้นี่แหละพระพรทองค์บอกว่าการครบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหลขนาดม้า ก, ก็ยังเดินตามนายนายนสระ ถ, ถีเดินข า, ขากระเพกบางก็ยังกระเพกตามเพราะนั้นคนเราถ้าไปคบกับคน เ, เมาต่อไปพวกเราก็จะเมาไปด้วยถ้าใครไปคบกับคนไม่ดี คะแนงไหนมันจะมันจะไม่ดีไปตามคะแนงนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นครอบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละคนนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราฟังเอาไว้และนคือนิทานชาดกนะแถมด้วยนิทานชาดกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะอันนี้นคือมาในพระไตรไปิฎกนะขนันธ์สัตยาธิโธมลูกหลานแล้วก็การกล่าวสมโภชนิยกถานในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจ คุณพระศรีรัตนาตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอานุภาพพระสยามเทวาธิราชอานุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อรักเคารพนับถือเลื่อมใสขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ขอให้ความปรารถนานั้นสมหวังดังสมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิดสาธุ